ปฏิบัติวิปัสนาจัดเป็นอุปทานที่ก่อให้เกิดพบกามุปทานอาจกล่าวได้อีกว่าเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเจริญวิปัสนาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจากทุก์ในวัฏสงสารอย่างถาวร อ, อีกอย่างหนึง่งปุทุชนทั่วไปจะต้องเจริญภาวนาเพื่อกำจัดอุปทานทั้งสี่อย่างแต่ พระอริยบุคคลเจริญวิปัสนาเพื่อกำจัดการมุปาทานเท่านั้นเหตุนั้นการเจริญวิปัสนาจึงจัดเป็นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นเพราะอุปทานที่บุคคลต้องการจะกำจัดเสียตามในที่สองนี้กล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมัสและคำภีอัตถกถาพระอภิธรรมชื่อสัมโมหะวิโนธนีมีใจความว่า อาวิชาเป็นเหตุให้ทำกรรมดีคือการให้ทานเป็นต้นซึ่งจัดเป็นกามาวจรกุศลและรูปาวจรกุศลโดยปริยายเพราะบุคคลต้องทำกรรมดีเพื่อความหลุดพ้นจากอาวิชชาและการเจริญวิปัสสนาก็เป็นกรรมดีอย่างหนึ่งในกามาวจรกุศลซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัต เพื่อให้หลุดพ้นจากอาวิชชาดังกล่าวมีคำถามว่าวิปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่อีกหรือไม่ในอัตถกถาของอังคุตรนิกายและปัฏฐานกล่าววา่าวิปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ได้กล่าวคือในอัตถกถาอังคุตรนิกายกล่าววา่าสัมมาทิฏฐิสมข้อแรกคือก ร, รมสักตาสัมมาทิฏฐิ ย่อมชักนำให้ปฏิสนธิในสุขติภูมิที่ดียานะสัมมาทิฏฐิย่อมชักนำให้ปฏิสนธิในรูปภูมิและอรูปภูมิมัฆคาสัมมาทิฏฐิย่อมทําลายวัด ต, ตะผลสัมมาทิฏฐิย่อมทําลายภพวิปัสนาสัมมาทิฏฐิย่อมนาไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏฏะทุก โดยไม่ก่อให้เกิดปฏิสนธิแต่ในคำพีอธิกถาได้อ้างคำกล่าวของพระจุลภพยะเถระผู้ทรงพระไตปิดกว่าวิปัสนาจะยังส่งผลให้ไปเกิดอีกเจ็ดชาติก่อนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นอกจากนั้นคำพีปัฏฐานที่กล่าวว่ากุศละเจตนาที่รับอัปมาณธรรมคือมรรคผล เป็นอารมณ์ย่อมเป็นปัจจัยแก่วิบากขันที่รับการมาวจรทมเป็นอารมณ์และคำภีอธกถาของปัจฐานให้นิยามของกุศลและเจตนาดังกล่าวว่าเป็นโคตรพูเจตนาเจตนาที่เกิดร่วมกับโคตรพูจิตและปัจเจเวกขณะเจตนาเจตนาที่เกิดร่วมกับปัจจยะเวขณะยานดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการเจริญวิปัสนาเป็นเหตุชักนำให้เกิดพบใหม่ตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะโคตรภูเจตนายังก่อให้เกิดวิปากขันในปฏิสนธิขณะได้แม้วิปัสนากุศลของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลก็ก่อให้เกิดพบได้เช่นกัน การปฏิบัติวิปัสนาทำให้หลุดพ้นไปจากภพวิปัสนาอาจช่วยให้เป็นอิสระจากสังสารวัติด้วยการทําให้เกิดยานทัศนะที่รู้แจ้งสามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะทั่วไปสามอย่างคืออนิจจาลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตลักษณะของอารมณ์ทั้งปวง ญาณทัศนะดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่คอยป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสที่หลงผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนในอารมณ์นั้นๆการไม่เกิดขึ้นของกิเลสหมายถึงการไม่เกิดขึ้นของกรรมและผลกรรมที่เป็นการเกิดในภพใหม่เพราะเมื่อไม่มีกิเลสการทํากรรมใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของกิเลส และผลกรรมก็พลอยไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นวิปัสนาปัญญาจึงช่วยกำจัดกิเลสกรรมและวิบากโดยการกำจัดแบบตทงังคปหานะการละด้วยธรรมที่เป็นปฏิปักกันคือวิปัสนาปัญญานอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรม จะสามารถอนุมาณรู้สามัญลักษณะสามอย่างของสภาวธรรมอื่นที่เขาไม่ได้กําหนดรู้โดยเข้าใจว่าแม้รูปนามอื่นก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เหมือนกันเขาจึงกําจัดกิเลสกรรมและวิบากได้ด้วยวิขมพนปหานะการข่มไว้หลังจากนั้นปัญญาในอริยมรรคที่เกิดตามมาก็จะทําหน้าที่ขุดราก ถอนโคนกิเลสการเกิดขึ้นของมรรคปัญญานี้อาจเปรียบได้กับการลงนามในหนังสือราชการสำคัญของรัฐมนตรีทำให้งานที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นได้จบลงอย่างสมบูรณ์เราไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของวิปัสสนาที่มีส่วนช่วยให้เกิดญาณทัศนะ เช่นเดียว ก, กันกับที่เราไม่สามารถมองข้ามผลงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งทำมาก่อนที่รัฐมนตรีจะลงนามการโค่นต้นไม้จะต้องใช้เลื่อยตัดไม้ทีละน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคนตัดไม้สามารถโค่นต้นไม้ลงได้ในที่สุดดังคำพีดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่าปัญญาในโลกุตระมักช่วยทำลายกิเลส ที่ผู้ปฏิบัติทมขจัดได้ด้วยวิปัสนาปัญญาอันเป็นโลกิยะมาก่อนหน้าแล้วเท่านั้นบุคคลที่ไม่ได้จเจริญวิปัสนาด้วยการกำหนดรู้รูปนามย่อมจะมีความหลงผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนความหลงผิดเช่นนี้เป็นปัใจจัยให้เกิดกิเลสกรรมและวิบา ก, กรวมไปถึงความทุกข์ทั้งปวงที่เป็นผลของการเวียนว่าย อยู่ในสังสารวัตสังสารวัตและการสามหลักปฏิจจสมุปบาทได้จำแนกเหตุและผลสิบสองประการไว้ดังนี้คือ 1. อวิชชา 2. สังขาร 3. วิญญาณ 4. นามรูป 5. สลายตนะ 6. ผัสสะ 7. เวทนา 8. ตัณหา 9. อุปทาน 10. ภพบอชาติ 12. ชาราและมรณนะตามที่ระบุไว้ในหลักปฏิจจสมบบาทนั้นอวิชชาและตัณหาเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงและเป็นบ่อกเกิดของวงจรแห่งภพ ภวัจักรซึ่งแบ่งเป็นสองวงจรคือปุพพันตะภวะจักรวงจรรอบแรกอัปรรันตะภวัจักวงจรรอบหลังโดยวงจรรอบแรกเริ่มต้นด้วยอวิชชาซึ่งเป็นต้นเหตุแล้วจบลงที่เวทนาและในส่วนของวงจรรอบหลังนั้นเริ่มต้นด้วยตัณหาและจบลงที่มรณะ ในวงจรรอบแรกนั้นเอาวิชาความไม่รู้และสังขารการขวนขวายทำกรรมในอดีตชาติย่อมชักนาให้มีการเกิดพบปัจจุบันและวงจรรอบหลังนั้นตัณหาความทยานอยากและอุปทานความยึดมั่นในพบปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ในอนาคต วงจรแห่งภพทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีความต่อเนื่องจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งโดยความเป็นเหตุผลกันหลักปฏิจจสมุปบาทนี้อาจจะจำแนกได้ตามการสามคืออดีตการปัจจุบันการอนาคตการกล่าวคืออวิชชาและสังขารเป็นอดีตการ วิญญาณและกรรมภพเป็นปัจจุบันนาการชาติชราและมรณะเป็นสิ่งที่รอคอยในอนาคตการดังนั้นหลักปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงรรมที่เป็นไปในการทั้งสามอาดีตเหตุห้าอย่าง หลักปฏิจจสมุปบาทได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุในอดีตว่าคืออวิชชาและสังขารเท่านั้นแต่ตามความเป็นจริงอวิชชาจะต้องมีตัณหาและอุปทานติดตามมาเสมอส่วนสังขาร น, นั้นเป็นเหตุให้เกิดกรรมภพติดตามมาเสมอดังนั้นคมภีปฏิสัมพิธามักจึงกล่าวถึงอดีตอย่างบริบูรณ์โดยเพิ่มตัณหาอุปทาน และกรัมาพบว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งรอบงามเราอยู่ในขณะที่กระทากรรมในพบก่อนสังขารคือการขวนขวายพยายามทำกรรมตัณหาคือความอยากเพื่อให้ได้รับผลของการกระทากรรมทั้งในพบปัจจุบันและในพบเบื้องหน้าอุปทานคือความผูกพันยึดมั่น กรรมและผลของกรรมนั้นๆกรรมภพคือเจตนาทำทั้งห้าอย่างนี้เป็นเหตุในอดีตที่ทำให้มีการเกิดในภพปัจจุบันดังนั้นจึงควรพิจารณาห่วงโซ่ทั้งห้าห่วงของปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาตันหาอุปทานสังขารและกรรมภพหากเราต้องการจะกล่าวถึงอดีตเหตุให้ครบถ้วน ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้อาวิชาตัณหาและอุปทานชื่อว่ากิเลสวัดวนเวียนกิเลสสังขารและกรรมภพชื่อว่ากรรมวัดวนเวียนกรรมความแตกต่างระหว่างสังขารกับกรรมภพ คำพีอัธกถาจำแนกความแตกต่างระหว่างสังขารกับกรรมภพไว้สามในคือในที่หนึ่งการเตรียมการล่วงหน้าที่จะทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจัดเป็นสังขารส่วนเจตนาในขณะประกอบกรรมนั้นๆจัดเป็นกรรมภพดังนั้นการแสวงหาเงินทองซื้อสิ่งของต่างๆเป็นต้นก่อนที่จะบริจาคทานจึงจัดเป็นสังขาร ส่วนเจตนาในขณะให้ทานจัดเป็นกรรมภพกิจกรรมที่ทําในขณะเตรียมวางแผนก่อนที่จะฆ่าจัดเป็นสังขารส่วนเจตนาในขณะฆ่าจัดเป็นกรรมภพในที่สองสามารถจําแนกโดยวิถีจิตกล่าวคือการฆ่าหรือการให้ทานประกอบด้วยชวนาจิตเจ็ขณะชะวนะจิตเจ็ขณะแรก จัดเป็นสังขารส่วนชวนจิตดวงสุดท้ายจัดเป็นกรรมภพในที่สามเป็นการจําแนกโดยเจตสิกกล่าวคือเจตานาจัดเป็นกรรมภพส่วนเจตสิกอื่นๆที่ประกอบร่วมกับเจตานาจัดเป็นสังขารวิธีการจําแนกความแตกต่างทั้งสามในนี้ในแรกเป็นการอธิบาย ที่กระจ่างชัดที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ศึกษามาไม่มากส่วนนายที่สามจะช่วยในการอธิบายการกระทำกุศลกรรมของรูปปภลมและอรูปภลมทั้งสามนายสามารถใช้จำแนกการกระทำทั้งดีและชั่วในการมาภูมินอกจากนั้นคำภีวิสุทธิมักได้กล่าวไว้ ในเรื่องปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารที่รับอารมณ์เป็นกรรมกรรมนิมิตรหรือคตินิมิตซึ่งปรากฏในขณะใกล้ตายย่อมจะนำจิตไปสู่ภพใหม่ตามคำอธิบายกรรมภพจึงอาจหมายถึงเจตนาที่เป็นแรงผลักดันให้กระทากรรมดีหรือกรรมชั่วในอดีต ส่วนสังขารเป็นชาวนาจิต ท, ที่ปรากฏในขณะใกล้ตายคือยึดเอากรรมกรรมนิมิตรหรือคตินิมิตเป็นอารมณ์ปัจจุบันผลเกิดจากอดีตเหตุเนื่องจากกิเลสวัดและกรรมวัดรประกอบด้วยเหตุห้าอย่างในอดีตดังได้กล่าวมาแล้ว จึงทำให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาผลห้าอย่างนี้รวมเรียกว่าวิปากวัตวนเวียนวิบากทั้งนี้เพราะปุทุชนทั่วไปประกอบด้วยอกวิชาจึงหลงผิดว่าอารมณ์ที่มากระทบทางกายและทางใจเป็นสิ่งที่ดีงามน่าเพลิดเพลินและก่อให้เกิดตัณหาและความทยานอยาก ในอารมณ์ต่างๆติดตามมาซึ่งเป็นการเริ่มต้นวงจรที่ชั่วร้ายของเหตุและผลให้หมุนเวียนเกิดขึ้นใหม่อีกและนี่คือวัตตะความหมุนเวียนแห่งความทุกข์นั่นเองหลังจากบุคคลถือปฏิสนธิแล้วมเมล็ดพืชแห่งพบคือปฏิสนธิวิญญาณได้ปรากฏขึ้นในขณะนั้น นามคือเจตสิกและรูปย่อมเกิดร่วมกับปฏิสนธิวิญญาณอีกทั้งมีอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจพร้อมทั้งมีผัสสะที่กระทบกับอารมณ์หกตามสมควรและเวทนาที่ตอบสนองสิ่งที่มากระทบย่อมปรากฏดังนั้นหลักปฏิจะสมุปบาทจึงกล่าวถึงเหตุและผลที่สำคัญเป็นประธานเท่านั้น จึงตรัสจำแนกไว้ทีละอย่างว่าวิญญาณปัจจยานนามะรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ภาษะปัจจยาเวทนาเพระพาะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาที่จริงแล้วผลทั้งห้าอย่างเหล่านี้เกิดจากสังขารและกรรมภพโดยเกิดขึ้นพร้อมการร่วมกับปฏิสนธิวิญญาณดังนั้นในทุกขณะที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดเรื่องราวต่างๆ วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาย่อมเกิดขึ้นโดยความเป็นผลของสังขารและกรรมพพในภพก่อนแม้ในขณะที่นอนหลับสนิทผลห้าอย่างทั้งต้นก็เกิดร่วมกับพะวังคาจิตตลอดเวลาส่งผลให้บุคคลยึดถือว่ามีตัวเราเป็นผู้เห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนึก หรือนอนหลับความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นผลใหม่ที่เกิดจากอดีตเหตุห้าอย่างในพบก่อนเหมือนเปลวไฟที่เกิดใหม่อย่างต่อเนื่องเพราะมีน้ำมันเชือไฟไส้ลมและถ้วยน้ำมันมีความต่างกันตรงที่การเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นต้นเป็นผลของกรรมดี ส่วนการเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของกรรมชั่วจึงมีเพียงสภาวะธรรมที่เป็นผลของกรรมในอดีตไม่มีอัตตาหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นหากแต่เกิดจากเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเช่นเวทนาเป็นธรรมชาติที่เกิดจากสังขารที่ดีหรือไม่ดีในอดีตไม่มีบุคคลหรืออัตตาตัวตนที่เป็นผู้เสวยเวทนา ชีวิตเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันของวิญญาณนามรูปอเยตนาผัสสะและเวทนาที่มีอวิชชาและตัณหาเป็นต้นเป็นปัจจัยให้เกิดเท่านั้นความเข้าใจเกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนา บางคนได้ศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาทและพระอภิธรรมมาบ้างมักจะกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลจะปฏิบัติวิปัสนาโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมทั้งสองหมวดนี้แต่ความจริงผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้รับการสั่งสอนแนะนำจากวิปัสนาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมชั้นสูงเหล่านี้ก็ได้ เพราะสามารถปฏิบัติตามคำสอนของวิปัสสนาจารย์หากเขาเพียงแต่เข้าใจว่าชีวิตคือกระบวนการที่เป็นไปของรูปนามมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนความเข้าใจเพียงเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ประสงค์จะพัฒนาปัญญาจนบรรลุอรหัตผล ดังสาธกในจุละตัญหาสังคยสูตรซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสนาว่าอิทธตเทวานามิทะพิกขุโนสุตตังโหติสัพเพ ธ, ธรรมานังนาภิเวสาญาติดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับแล้วว่า ทำทั้งปวงไม่ควรจะยึดมั่นด้วยตันหาทิฏฐิว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาในพระสูตรนี้มีความตอนหนึ่งว่าโสสับ พ, พังธรร ม, มังอภิชานาติภิกษุนั้นย่อมรู้เฉพาะสภาวธรรมทั้งปวงคำว่าอภิชานาติย่อมรู้เฉพาะคือการรู้สภาวธรรมรูปนามที่ปรากฏชัดในปัจจุบันตามสมควร ในคำพีอัตถกถาระบุว่าคำนี้หมายถึงยาตะประญญาปริญญารู้ชัดด้วยการกำหนดรู้หมายถึงความเข้าใจในระดับนามรูปปริเฉ ท, ทยานและปัจจะยะปริฆหายานอีกทั้งยังมีข้อความต่อมาว่าเมื่อรู้เฉพาะสภาวธรรมทั้งปวงแล้วย่อมรู้ชัดสภาวธรรมทั้งปวง คำว่าปริชานาติย่อมรู้ชัดคือการรู้ชัดรูปนามว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาในคำพีอัตถกถาได้อธิบายว่าเป็นปัญญาอย่างรู้ไตรลักษณ์ในระดับสัมมาสนญาณและวิปัสสายญาณขั้นอื่นๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมควรทราบว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นเพื่อตัดความหลงผิดในตัวตนก็เป็นการเพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องทราบถึงองค์12หรืออาการ20โดยพิสดารหากการปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องมีพื้นความรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดารแล้วผู้ที่มีการศึกษาน้อย หรือด้อยปัญญาเช่นพระจุลปันธกะก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยเพราะท่านไม่สามารถจะทรงจำคาถาแม้เพียงสองบาทได้ดังที่ได้เพียงพยายามท่องอยู่นานถึงสี่เดือนถึงกระนั้นท่านก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดานอกจากนี้ยังมีอุบาสิกาท่านหนึ่งชื่อมาติกะมาตาไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระอภิธรรมและปฏิจจสมุปบาทมามากนักแต่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีก่อนภิกษุบางรูปที่เป็นอาจารย์ของท่าน มีผู้ปฏิบัติธรรมอีกหลายคนที่เป็นเหมือนกับอุบาสิกาท่านนี้และพระจุลปันธกะเทระดังนั้นจึงเป็นได้ที่จะบรรลุมรรคผลด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาโดยที่ไม่ได้เรียนรู้หลักธรรมะระดับสูงมา ก, ก่อนการไม่รู้อารมณ์ที่มากระทบกับทวารตามความเป็นจริงในขณะเห็นเป็นต้นแล้วเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้เห็น หรือเข้าใจผิดว่าการเห็นเป็นสิ่งที่ดีการได้ยินเป็นสิ่งที่ดีความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีเป็นต้นคืออวิชชาการยินดีในอารมณ์คือตัณหาและการยึดมั่นผูกพันอย่างรุนแรงต่ออารมณ์คืออุปทานการขวนขวายพยายามแสวงหาอารมณ์ที่ปรารถนาและเจตนาในการทำกรรมดี และกรรมชั่วเพื่อประโยชน์สุขของตนในพบปัจจุบันและพบข้างหน้าคือสังขารและกรรมภพปัจจัยทั้งสี่อย่างเป็นปัจจุบันในเหตุที่จะชักนำให้เกิดพบใหม่หลักปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงเหตุสามอย่างคือเวทนาตัณหาและอุปทานแต่ความจริงรวมถึงเหตุปัจจัยอีกสองอย่างคืออวิชชา และสังขารอีกด้วยเพราะเหตุสองอย่างนี้เป็นต้นของตัญหาและกรรมภพตามลำดับดังนั้นจึงเป็นอันว่าหลักปฏิจจสมุปบาทได้อธิบายเหตุห้าอย่างที่ก่อให้เกิดภพใหม่ในอนาคตโดยบริบูแล้วกำจัดปัจจุบันเหตุ การทำกรรมดีและกรรมชั่วทุกอย่างในปัจจุบันเป็นการประจวบพร้อมกันของปัจจุบันเหตุ5้าอย่างและการประจวบพร้อมกันของเหตุ5อย่างในชาติหนึ่งชาติหนึ่งนั้นอาจมีได้นับเป็นพันพันครั้งในบางกรณีปัจจัยเหล่านี้อาจชักนาให้เกิดพบใหม่2หรือสมชาติติดต่อกัน การเกิดพบใหม่แต่ละครั้งย่อมติดตามมาด้วยชารามรณะความเศร้าโศกและความคร่ําครวนเป็นต้นและถ้าปรารถนาจะหลีกเลี่ยงความทุกข์เหล่านี้ก็จําเป็นต้องกําจัดปัจจุบันเหตุให้สิ้นไปก่อนในการนี้เราควรกําหนดรู้สภาวะธรรมการเห็นหรือได้ยินว่าเห็นหนอหรือได้ยินหนอเป็นต้น ในปัจจุบันขณะที่ปรากฏนั้นเมื่อสมาธิพัฒนาแก่กล้าขึ้นแล้วจะสามารถกำหนดรู้การดับไปอย่างเร็วของสภาวธรรมเหล่านั้นได้และจะรู้จักชัดว่าเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนความรู้เช่นนี้จะช่วยให้กำจัดอวิชชาอันเป็นความหลงผิดซึ่ง เป็นเหตุเกิดของตัณหาอุปทานสังขารและกรรมภพทำให้ปัจจุบันเหตุห้าอย่างไม่สามารถให้ผลปฏิสนธิเป็นการยับยั้งไม่ให้มีการสร้างภพใหม่รวมทั้งความทุกข์ที่เนื่องมาจากการเกิดในภพใหม่อีกด้วยกระบวนการกำจัดเหตุนี้ชื่อวะะา่าตทังฆะปาน หมายถึงการเอาชนะกิเลสบางอย่างด้วยวิปัสนาภาวนาอันเป็นปฏิปักษด้วยวิธีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะบรรลุตัธังคะนิพุติคือการทำลายกิเลสบางส่วนด้วยภาวนาภายหลังเมื่อเกิดปัญญาในอริยมรรคปัญญาดังกล่าวจะทำให้แจ้งพระนิพพานอันเป็นความดับรูปนามได้ทั้งหมดโดยสมุดเชตปหาร คือการเอาชนะได้โดยเด็ดขาดกิเลสและกรรมจะถูกกำจัดไปอย่างเด็ดขาดและถาวกรกล่าวคือผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ประหารกิเลสและกรรมที่ชักนำให้เกิดในอบายภูมิและที่เป็นเหตุให้เกิดใหม่มากกว่าเจ็ดชาติส่วนผู้ที่บรรลุเป็นพระอนาคามี ได้ประหารกิเลสและกรรมที่อาจทำให้เกิดใหม่มากกว่าสองชาติส่วนพระอนาคามีได้กาจัดกิเลสและกรรมที่ชักนำให้เกิดในการรมภูมิได้ทั้งหมดและส่วนผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จะสามารถกาจัดกิเลสและกรรมที่เหลือได้ทั้งหมดหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ผู้สมควรแก่การเคารพ บ, บูชาเพราะเป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว